ตอนที่26บหกซื้อเนื้อกลายเป็นกินฟรีซูมานอิมพาชินเสี่ยวเย่เว่และซุนจุหลิงขายโรเจียหมูไส้มันฝรั่งเส้นต่อยสองวันแม้จะขายหมดทุกครั้งแต่เห็นได้ชัดว่าแทบไม่มีคนเข้าแถวรอเลยสหายเสี่ยวซูพวกคุณไม่ขายโรเจียหมูไส้เนื้อแล้วเหรอนั่นสิถึงมันฝรั่งเส้นนี่จะอร่อยแต่ยังไงเนื้อกับแป้งก็หอมกว่าใช่แล้วในยุคสมัยนี้ใครจะต้านทานความหอมของเนื้อได้ ทุกคนไม่ต้องรีบรออยกสองวันชันซูมานอินรับรองว่าจะต้องให้ทุกคนได้กินโรลเจียมหมูเส้เนื้อแน่นอนกว่าจะประคองจนถึงวันที่ต้องลงพื้นที่ชนบทซูมานอินก็รีพาชินเสี่ยลเย้ไวซ้อนท้ายจักรยานมาที่สถานีตำรวจตั้งแต่เช้าตรู่โอ้สหายซูมาแล้วเชิญข้างในเลยครับสหายตำรวจตัวน้อยในะสถานีตำรวจเห็นซูมานอินมาก็รีบเชิญเข้าห้องอย่างกระตือรือร้นแถมยังรินน้ำชาให้ทั้งสองคนด้วยหัวหน้าสถานีเก็ยังไม่มาพวกคุณรอตรงนี้สักครู่นะครับ ขอบใจมากนะสหายตัวน้อยซูมานอินประคองถ้วยน้ําชาที่มีใบชาลอยเต็มไปหมดพลางเอ๋ยทักทายอย่างมีมารยาทชินเสี่ยวเยว่าสายตามองไปทั่วเพื่อนรักคุณแม่เกาฉังเหอไม่ใช่รองหัวหน้าสถานีเหรอแต่ทําไมฉันรู้สึกว่าเขาดูไม่ต่างจากหัวหน้าสถานีตัวจริงเลยล่ะหัวหน้าสถานีของพวกเขาบาดเจ็บตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ซูมานอินตอบกลับอย่างเป็นธรรมชาติแต่ความธรรมดานี้กลับทําให้ชินเสี่ยวเย่าได้กลิ่นอายของเรื่องซุบซิธ์ เพื่อนรักคุณแม่รับหลังเนี่ยคุณกับหัวหน้าสถานีเกาแอ บ, บเจอกันกี่ครั้งแล้วเนี่ยทำไมเรื่องอะไรคุณถึงรู้ดีไปหมดเลยซูมานอินขมวดคิ้วมุนหันไปมองเพื่อนรักลูกสะายอย่างระอาแอบบเจออะไรกันฉันกับเขาบาังเอิญเจอกันไม่ได้หรือไงขณะที่กําลังคุยกันเกาฉางเหอในชุดลำลองก็เดินเข้ามาจากข้างนอกคุยอะไรกันอยู่ครับดูท่าทางมีความสุขเชียวไม่มีอะไรแค่แค่เรื่องไร้าสารานิดหน่อยหัวหน้าสถานีเกาขัพวกเราไปกันได้หรือ ย, ยังคะ รอสักครู่นะครับผมขอสั่งงานก่อนแล้วเราค่อยออกเดินทางกันเกาชังเหอเรียตตำรวจสองสามนายเข้าไปในห้องสั่งงานอย่างคล่องแคล่วจากนั้นก็ถือกุญแจรถเดินออกมาไปกันเถอะซูมานอินกับชินเสี่ยวเยว่าขานรับแล้วเดินตามเขาไปขึ้นรถจีป๊ปหัวหน้าสถานีกับเขาพวกเรานั่งรถหลวงไปชนบทแบบนี้จะไม่ถือว่าทําผิดกฎเรอคะไม่รอให้เกาชังเห อ, อธิบายคนขับรถก็ยิ้มพรางตอบกลับ รถคันนี้เดิมทีต้องไปเติมน้ำมันอยู่แล้วรับพวกคุณไปด้วยถือว่าเป็นทางผ่านอีกอย่างรถคันนี้ไม่ได้เข้าหมู่บ้านหรอกครับซูมานอินกับชินเสียวเยเว่สบตากันด้วยความสงสยัยหัวหน้าสถานีกับวันนี้เราไม่ได้จะไปบ้านเกิดของคุณตารวจหวังหรอคะไปครับแต่เราไม่ได้นั่งรถคันนี้ไปแล้วจะไปยังไงคะเกาชังเอที่นั่งอยู่เบาะหน้าหันมายิ้มถึงแล้วพวกคุณก็จะรู้เอง ไม่นานนักรถก็มาถึงปั๊มน้ํามันที่อยู่รอยต่อระหว่างอําเภอไห่เฉิงกับชานเมืองทันทีที่ลงจากรถพวกเขาก็ได้ยินเสียงคนเรียกหัวหน้าสถานีเก่าทางนี้ครับทางนี้ซูมานอินมองตามเสียงไปจึงพบว่ามีรถแทรกเตอร์คันหนึ่งจอดอยู่ไม่ไกลสหายตํารวจเสียวหวังยืนอยู่บนกระบะหลังพางโบกมือให้พวกเขาอย่างกระตือรือร้นเกาช้างเฮยหยิบเบาะรองนั่งหนาๆสองใบลงจากรถสหายสุสหายชินมาครับถือไว้ให้ดีพวกเราเตรียมเปลี่ยนรถกันแล้ว ซูมานอินกับชินเสี่ยวเย่เวร่รับเบาะมาอย่างลังเลก่อนจะปีนขึ้นไปนั่งบนกระบะรถแทรกเตอร์ภายใต้การต้อนรับอย่างอบอุ่นของเกาชังเหอและเสี่ยวหวังพอรถแทรกเตอร์เริ่มเคลื่อนตัวพวกเธอถึงได้รู้ว่าเบาะรองนั่งนี้สําคัญแค่ไหนรถแทรกเตอร์คันนี้วิ่งไม่เร็วนักแต่กลับกระแทกกระทันรุนแรงเหลือเกินต่อให้มีเบาะรองนั่งก็ช่วยแค่ไม่ให้เจ็บก้นเท่านั้นแต่ความรู้สึกสันสะเทือนไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อย ซูมานอินร่างกายแข็งแรงหน่อยยังพอทนได้แต่ฉินเสี่ยวเย่เว้นั้นแทบจะทนไม่ไหวเธอรู้สึกเหมือนตับไส้ีพุงสันสะเทือนไปหมดสุดท้ายทนไม่ไหวต้องเกาะขอบกระบะรถแล้วเริ่มอาเจียนออกมาไม่หยุดทําไมกันนะเธอแค่อยากกินเนื้อสักมื้อทำไมมันถึงได้ลําบากขนาดนี้กว่าจะกระแทกกระทันมาถึงทางเข้าหมู่บ้านเมื่อเกาฉางเห่กับเสี่ยวหวังลงจากรถมาช่วยพยุงชินเสี่ยวยาวก็แทบจะสิ้นลมไปครึ่งตัวแล้วคุณแม่ไม่ใช่ว่าฉันขี้เกียจนะแต่ฉันอ้วกซูมานอินเห็นสภาพมารถของเธอแล้ว จึงบอกให้เธอหาที่นั่งพักสักครู่ส่วนตัวเองก็เดินตามเกาฉางเหอกับเสี่ยวหวังไปซื้อเนื้อหมูระหว่างทางเสี่ยวหวังเล่าสถานการณ์ที่บ้านเกิดให้ฟังคร่าวๆที่แท้คนที่กําลังจะแต่งงานคือลูกพี่ลูกน้องบ้านลุงใหญ่ของเขาเพื่อเตรียมงานเลี้ยงในอีกสามวันข้างหน้าจึงได้เชือดหมูที่เลี้ยงมาเกือบปีล่วงหน้าแต่อากาศร้อนขนาดนี้จะเก็บรักษาเนื้อยังไงเหรอคะซูมานอินถามด้วยความสงสัยไม่รอให้เสี่ยวหวังตอบเกาฉางเหอก็รีบชิงอธิบายให้ความรู้ก่อน คนตรงเปยเนี่ยนะทุกบ้านจะมีห้องใต้ดินเนื้อที่กินไม่หมดพวกนี้ก็เอากระดาษไขห่อให้ดีแล้วแขวนไว้ในห้องใต้ดินวางทิ้งไว้สักสาห้าวันเนื้อก็ไม่เสียแล้วตู้แช่แข็งธรรมชาติชัดๆเกาช้างเหอประหลาดใจเขาไม่คิดว่าซูม่านอินจะรู้จักตู้แช่แข็งด้วยทั้งกลุ่มพูดคุยหยอกล้อกันจนมาถึงบ้านลุงของเสี่ยหวังชาวบ้านไม่เห็นว่ามีแขกมาจากในเมืองก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีหมูค่าเสร็จพอดีเที่ยงนี้อย่าเพิ่งไปไหนเลยกินชาจูเฉยเสร็จค่อยกลับ ลุงหวังเอ่ยชวนอย่างกระตือรือรนน้นจนสุมาลอินรู้สึกเกรงใจนางหันไปมองเกาฉางเหอคล้ายขอความช่วยเหลือแบบนี้จะดีหรือเขาพวกเราตั้งใจมาซื้อเนื้อแท้ๆฉันไหนกลายเป็นมาขอข้ากินฟรีไปได้ไม่เป็นไรหรอกแค่เพิ่มตะเกียบอีกไม่กี่คู่เองป้าสะใภ้ของเสียหวังเดินเข้ามาดึงตัวสูมานอินไปใกล้ๆตายตจริงแม่หนูคนนี้หน้าตา ส, สวยจังเลยนะผู้อำนริการคนนี้ใช่คู่ครองของท่านหรือเปล่าคำถามนี้ทําเอาทั้งสองคนทําตัวไม่ถูกไปตามๆกัน เสี่ยวหวังรีบพลาเข้าไปดึงตัวป้าสไพซ์ของตนไว้คุณป้าอย่าพูดจาเรื่อยเปื่อยสิครับพวกเขายังไม่ได้เปิดตัวกันเลยเก้าช้างเหอได้ยินดังนั้นก็สัตมัดใส่เข้าไปทีหนึ่งเจ้าเด็กบ้าพูดจาแล้วเธออะไรของเจ้าปากก็ด่าไปอย่างนั้นแต่ในใจเขากลับรู้สึกอิม่มเอมอย่างบอกไม่ถูกซูมานอินรีบคว้ามือป้าสไพซ์ไว้แล้วเอ่ยตามารยาทคุณป้ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมค่จะให้มานั่งกินเฉยๆโดยไม่ทำงานได้ยังไง ไม่ต้องต้องคนพอแล้วแม่หนูนั่งรอทานอย่างเดียวก็พอซูมานอินได้สัมผัสแล้วว่าความกระตือรือร้นของชาวชนบทตรตงเป๋นนั้นคือความจริงใจที่มอบให้หมดทั้งหัวใจจากบ้านดินหลังเตี้ยๆและถังเหล็กกับม้านั่งที่หยิบยืมมาจากบ้านโน้นบ้านนี้ดูออกได้ไม่ยากกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาไม่ได้มั่งคั่งนะักแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดเมื่อมองดูเงาร่างที่ยุ่งวุ่นวายและรอยยิ้มที่ประดับอยู่บนใบหน้าเหล่านั้นนางกลับรู้สึกว่าพวกเขามีความสุขที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆ ตอนที่เริ่มทานชาจู่ช่ายเสี่ยวหวังก็ไปตามตัวชินเสี่ยวเยเวที่กําลังยืนคุยสเพเรอยู่กับพวกป้านาอาที่หน้าหมู่บ้านกลับมาเพื่อนรักของแม่สามีรู้ไหมว่าคนในหมู่บ้านนี้เป็นดาวตลกกันทุกคนเลยนะซูมานอินมองฉินเสี่ยวเยเวที่ดูร่าเริงขึ้นมาแล้วก็เอ่ยกระเซ้าอย่างมึกสนุกฉันว่าพวกเขาเป็นหมอเทวดามากกว่าคุยไม่กี่ประโยคก็รักษาอาการเมารถของเจ้าจนหายเป็นปลิดทิ้งเลยซูมานอินและฉินเสี่ยวยาวได้รับเชิญให้ขึ้นไปนั่งที่โต๊ะบนเตียงข้างบนโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารจานเด็ดละลานตา หลิวโร่ตวนตับหมูผัดหมูต้มราสอสกระเทียมกัวเปาโร่สวร น, นี่เตรียมตัวฉลองปีใหม่กันล่วงหน้าหรือเปล่าเนี่ยฉินเสี่ยวยาวยังไม่ทันขยับตะเกียบน้ำลายก็สอจนแทบจะไหลออกมาสหายตำรวจเสี่ยวหวังงานแต่งงานของลูกพี่ลูกน้องนายพวกเรามาร่วม ง, งานด้วยได้ไหมได้แน่นอนครับเสี่ยวหวังยกน้ำแกงที่เคี้ยวจากน้ำซุปเข้มข้นมาให้อย่างกระตือรือร้นชินเสี่ยวเยเว่รับมาแล้วซดเข้าไปคําหนึ่งโดยไม่สนว่ามันจะร้อนเพียงใด โอ้โหมากเลยแม่ม่านอินหรือว่าพวกเราย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้กันดีไหมเจ้าเลอะเรือนเพราะความหอมไปแล้วหรือไงซูม่านอินขยับเข้าไปใกล้แล้วกระซิบเสียงเบาจะไม่เอาเงินชดเชยการรื้อถอนแล้วเหรอฉินเสี่ยวเย่าด้สติขึ้นมาทันทีฉันก็แค่พูดไปงั้นแหละฮิฮิลุงหวังยกเลือดหมูนิ่งถาดใหญ่เข้ามาในห้องพอฉินเสี่ยวเยเว่เห็นเข้าก็เตะบโตเท่าไข่ห่านแม่ม่านอินฉันว่าพวกเราอยู่ยาวไปจนถึงวันแต่งงานเลยเถอะลองเก็บไปคิดดูนะ แม่หนูเรื่องนี้ตกลงตามนี้เลยนะเจ้ามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เมียเจ้าลูกชายข้าหน่อยได้ไหมได้แน่นอนค่ะซูมานอินมองดูเพื่อนรักของลูกสภัยด้วยสีหน้ากลัดกรุ้มนี้ขนาดยังไม่ได้ดื่มเหล้าชาไนไนถึงได้ ม, มาไมยขนาดนี้ไปได้